สองเรศนิยสถานสีตน่ตำบลที่พระบรมาศาสลาทรงแสดงไว้ที่ประสูติที่ตักรูที่ปรองอายุสังขารที่แสดงทำมาจากกระเพาะตระหนที่ปรงอายุสังขารที่แสดงอ ท, ที่ เสู่พานเป็นสังเวช ญ, ญียสถานเป็นสถานที่ชาวพุทธจะจำเหนียด้วยใจว่าพระอรหมศาสตราทัทรุที่ไหน mm. เกิดที่ไหน mm. เกิดที่ป่าลุมพินีวันอันในระหว่างกึ่งกลางแห่งพระนครทั้งสองในเทวทหาและกรุงกเวนละพัด จะเขยมต่อกันที่นี่ดัฟ โ, โท่ที่พุทธคยาตำบนพุทธคยาแล้วแสดงทำให้จักกระเพาะตะลุยสูตรที่ป่าไอศีะตะลนยมิทรายาวันแล้วก็เกี่ยมังค่าในสีแล้วก็ องอายุสังขารที่เวลุวานารามเป็นที่อยู่แห่งกะระแตที่พระเจ้าพิมพิศารทรงถวายให้ป่าไม้พายระดนี้ิพานี่สารเวลานทยาที่กลุงกุสินาราในทางที่ตอนออกทีนีานจะฟังเทศ ตามพระสูตรหรือจะฟังตามพระปณิมภ์จะเอาทางลัดหรือจะเอาทางโค้งเาขอให้ยกมือขึ้นจะเอาทางลัดหรือจะเอาทางลัดก็มันต้องเทอะทมากเอาตามพิธว่าถ้าถ้าเอาทางพิธดาร์ผู้ที่อยู Now, so ่ใกลก็จะละหมาดองู่เหกันยกมือขึ้นเอาทางลัด เอออ่อได้ความแล้วทีนีูชาจะปูชนียานั่งเพราะว่าเรามศาาสอยอดของบูชาก็คือปฏิบัติบูชาปฏิบัติบูชาโดยให้ทานรักษาเสียงภาวนาเป็นต้นเยกว่าปฏิบัติบูชาหรือลึกถึงคุญญาพุทธประธรรมประสงค์ก็เรียกว่าปฏิบัติบูชาเพราะเป็นพุทธชาธรรมาสังการนุสติอยู่ในตัว ส่นอนามิสสะบูชาองค์ท่านก็ไม่ปฏิเสธแต่ว่าให้หนักให้พุทธศาสนาจะตั้งอยู่ได้นา น, านก็เพราะปฏิบัติบูชาผู้มีอวัยวะศีล ส, สอนให้มีศีลผู้มีภาวนาสอนให้มีภาวนาผู้มาเริ่อมใสในพระพุทธธรรมประสงค์ก็สอนให้เริ่อมใสในพระพุทธธรรมประรสงค์แต่การเริ่อมใสในพระพุทธธรรมปรสงค์นี่ท่านกำ บ, บังคับแล้วเมื่อเหตุผลพอ ก็ต้องเลื่อมสายทังเหตุผลแนพ่อพอในยั้นท้าชันด่านของตนก็มาเลื่อมสผู้เลื่อมสายในพุทธศาสนาเป็นผู้ที่สร้างบารมีแกกล้ามาแล้วผู้ที่ยังมา เ, มเลื่อมสายในพุทธศาสน า, าบาลมียังอ่อนอยู่ส่อแสดงให้เห็นอยู่นี้ตอนสุดท้ายที่พระบรมศราสดาจะเข้าสู่พระรัตนพานองท่านก็สั่งว่า พิโสสามเณรอุาสกอุบาสิกาทั้งหลายทั้งขานทั้งหลายลนเที่ยงโนเกิดขึ้นจากภพภูมิและแก่สลายท่านทั้งหลายจงทาประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงข้อมม้วยความไม่ประมาทดด้วยประกาศนี้เลยว่าอย่างนั้นท่านเทศย่ย่อในเวลาท่านจะเข้าสู่พระนิพพานเพราะท่านถือว่าท่านเทศหมดแล้วไม่มีอะไรจะมาหวังกับเราเพราะเราไม่ ปกปิดคําสอนเราเท่า ท, ท่านทั้งหลายฟังหมดแล้วทำคำสอนของเราแต่ละวันละวานนั่นเองจะเป็นศาสดาแทนท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายอย่าได้ความมหัต์เบอกเรามาศาสตราสอนอย่างนั้นพกเราอย่าได้ความมหันเพราะพุกธธรรมปสงค์ทานสิงห์ภาวนาทั้งน้อยก็เป็นของเราทั้ว่าก็เป็นของเราเขาบอกเรามาศาสดา ตัดสู้อยู่ที่ไหนถ้าจะพูดในทางพนมัทก็ตัดสู้อยู่ที่เมื อ, องานไกลปณิ ธ, ธานอยู่ที่ไหนปณิพานอยู่ที่ไม่มีกิเลสนั่นถ้าจะตอบในทางพนมัทที่ไหนไม่มีกิเลสก็ปณิ ธ, ธานเท่านั้นถ้าตอบในทางพนมัท ตรงอายุสังขารอยู่ที่ไหนตรงอายุสังขารกับสิ่งที่มันล่วงไปอายุแปดปีนะประสูตรอยู่ที่ไหนไปสะูตรอยู่ที่ชนาผู้ชะผู้เกิดในคันที่ป่าลุมพินีวันยกไหวอั น, นั้นแสดงธรรมมาจากอยที่ไหน แสดงธรรมจักอยู่ที่เมื อ, องใจสอนให้ใจรู้จักยังกินเสือสมุทยะธรรมังสักพันตังนิโรธธรรมวันติจึงไในเกิดขึ้นแล้วสนั้นทั้งหมดก็มีความดับสูญเป็นธรรมดาหัว<อ>ใจของธรรมจักกระเพาะสูตรข้เท่านั้นเทศเรื่องต้นกเทศเรื่องก็เกิดแก่เก็บตายเทศเรื่องกลางก็เทธเรื่องศีลสมาธิปัญญาเทศว่างท่ายก็เทศ เรื่องอริยสัจี่ทุกสมุทัยรอดนักทำให้แก้งในคำท้าคำดามซะอ่าอะไรนะคำสอนใดแต่ละวระบาส่งต่อพระนิพพานหมดทั้งนั้นหละเราทำเยือนเทียนวันนี้เราก็ไม่ได้ทำ เ, เพื่อพิธีล้วทำเพื่อบูชาพระนิพพา น, พนูานุทํารมสงรวมกันอยู่ที่พระนิพพานอย่างเดียวพระนิพพานก็คือความดับเบินในวัาสองสาง ถ้าความเพลินในวัาจรทั้งสามมีเท่าใดในท่านผู้ใดยังมีอยู่มากผู้นั้นก็ยังอยู่ไกลพระนิพพานมากผู้ใดเกิดสรดสังเวชใลว่าการท้งสามผู้นั้นอยู่ใกล้พระนิพพานโดยแท้เลยต่อไปนี้ก็ให้ภาวนาอ า, าคนใดของมันเนอะเคยภาวนาพุโทโธก็ให้ภาวนาพุทโธเรียกว่าปฏิบัติบูชาเคยภาวนาอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ต้องภาวนาอนิจจังทุกขังอ น, นัตตา ายพิจารณาอะไรก็พิารณาอ น, นัลละของใครเขามันผลที่สุดก็ไปรวมกันที่แห่งเดียวถ้าทาพอแล้วคือพรนิพานด้วยเดกคุณพระพุทธศาสนาอัญชงพระกุศลข้าประมาณไ่ได้พราะพี่น้องชาวพุทธต้นหน้าที่มาในที่นี้กาดีที่มาในมาในที่นี้กาดียงประสบแต่ความสุขความเจริญในมาวดพระพุทธศาสนาพระพทสมาธิพะุเจ้า รัได้ไม่รได้ก็ดีทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนทั้งหลับทั้งตื่นอยู่ทุกว่าไม่มีประมาณนั่นคือเอวังเกาะมีด้วยปากาละจะได้อาละเออยู่เป็ยอดบูชาไปทางไหนก็บูชาอยู่ทุกขณะจิตนี้ พ่อการสมาธิอยู่สมมติแล้วเขาเรียกบูชาอยู่ทมมติว่าลุกสิสมาธิปัญญาที่เป็นโลกุตตระยิ่งสมาธิปัญญาที่เป็นโลกนี้สียงสมาธิปัญญาที่เป็นโลกนี้ที่จงไรทื่รักษาสว่งสมาธิปัญญาแล้ว เองนี้สมัดพัสถานเรือีว่าเป็นชาวบานงเสยห้าสน้าก็เทศักแต่นาวาเป็นหนาไม่โดนเลยเรื่องนี้สมัดพักสถานหลังอนี้มันสมัดกวนสมัดข้อมสมัดส่วนที่ว่าีปนหน้าที่เป็นโลกุตระนั้นเพื่ออคนทุกแม้ว่าตาต้องสามส่วนเดียวไม่เกี่ยนหน้าอันเดียวจริงนีิ กาเมงเกตนาร้ายอันก็เป็นโลกขีโลกขี้สีโลกขี้สมาสีโรคขี้ตนา้ๆถึงพระทธาประสงค์สึเือให้หนงถึงเครือหลับเครืองดเครือสำลักสนนั่นเป็นโลกขี้ในชนะควบโรคขีถึงพ่ะพุทธธรรมประสงค์เพื่อปฏิบัติคนทุกนวตาสงสารนันพระพุทธธรประสงค์เกียตนาเป็นโรคอุตตรั ก่อนที่จะยอมใช้เงนสั่นก่ อ, ยอยนจะร้องเสียงทุมเห็นเงินสั่นเ็รได้อะไรมาถึงเงินใช้ก็ไหนตั้งแต่นี่ทุก้มเห็นเงินสั่นเราได้เงินสักไขว่าไม่ว่าตาสงสารอันนี้เพราเป็นที่จูจ้ใจเพื่อจะอยู่มาไล้เพราเป็นที่จูจ้ใจแค่ไหนศาสตร์น่ก็่าบรรจุใจยักษ์บอลนีล่มานี่นับเชิงอดีตมากนี่จะรัวมากนี่เงินสาสตก่อนจนยกไป นี่จะขาดตบบกพร่องในสนักแลนโดสำนักเยอะหิวเยวอยากเยอะหอนเยอหนาวเยอะสานักเยอขาดจางงของถือกาละพัดจางลงงงู่จาเกินแางใส้างซ้ยอันนั้นขาดอันนั้นขาดอันนี้เยอะํานักแม่แต่โลกธาคุ้มหวังแม่แต่โลกธาตุแม้ก็พระปานเขากา้าวฟากรรมธานไฟกรรมอัน น, นี้ขีิน้า้ วาน้อแม่มนาหมหาสมุทรทะเลมาเต็มนักเถอะเขาก็ลังเฮามาเต็มเนี่ยต้องไขอกองกลางนี่อยู่ซ้ำนั่นขาดอันนั้นขาดอันนี้เยอะซ้ำนั่นกแกยกไปแล้วจักเถออันไดนั้นมาจะเคยได้ระเบ้อันใดอันนี้มาจะเคยได้ระเบ้อเข้ามาฝนจะสายวันนี้เราใคยแวแนว เมืพ่อมาทางมาทางไปซื้อบื้อก็าจมันใจขม่าไ่ได้คอยออกอันไนคนเท่าอย่งนี้ดีนั่ิดนัแกังแกนั่ตายแกับไปพันในผ้ามาได้ยินีในางงสาลกับไปพัน้ามาใส่ไดง่ายไม่ใช่ใส่ได้ง่ายมาได้ง่ายกับตา แลมีคิ ด, ดวุฒประสงค์ยังไงครับตายระเกิดเกิดระตายมาก็ไม่เห็นแค่ตายแสอบมหาสมุทรลอยปกดกระซ่าทีวันนี้จากพว า, ามรู้วนธรรมประสงค์มบอกว่าสั่นอร่อยมาได้พระหันก็นนกว่ า, า, าเอาถึงก็บอกได้ว่ามาได้พราอานาค้าวี่ก็เอาก็บอได้ว่ามาได้พระาข้าววี่กเอาถึงก็บได้ว่า เ่ด้สวดอาธบันก็บเอาส่ก็บบ่ได้ว่าเ่อใล่ก็ดน่อยฝนุกทายมันเมื่อดไปไส่ายแลวก็ได้ไไ เ, กดเกิดเป็นมนุษย์่ยังไหอยู่ยังดีก็จีีตั้งนาลูวรหกรว่าอัอสิง่งยังดีก็ตั้งนาจะไปซัดเป็นตัดีดาราน ค, ค น, น, น, นไหนเคยพี่แกหน้ากรรมฐานอัไไหนกับพี่แกหน้ากรรมฐานจะของดูอันนั้นเดี๋ยว่อาฟังเทกเตือนเมื่อแรก็เขาหรอกต้องคานว่าหัวใจฮสมมติตรงรู้เอา ข้าวตกว้อนนีรอกหนังออกลอกหนังออกก็รอกขิ้โพ้นออกมาเต็มนี่แล้วปูไว้เนี่ยมูนี้วัดแต่ข้าวตะ้ดเดียวเนี่เขาดนยอะนี่อยู่ไรบอบอองท่สาวใสออกมาค้องอพุทลัดสะเนี่ยองนี่ถาได้ออกบาให้มันเต็มนี่ หมอดุดเบิรงสี่ดุดใจว้อนี่แหลกรรมฐานอันนึงเลกรรมฐานอสุภะกรรมฐานพุทโธกรรมฐานสัตธากรรมฐานอานิจจังทุกขังอนัตตากรรมฐานเพื่อเพื่อนายหลกไว้ไอันนี้เกิดเเพื่อนายโลอกไว้ไใช่กันหร่กระอันนี้ก็ะไรแต่มันบอหลงน้ำมันก็ไม่แนหลงแน่หรอกอันนี้มันหลงน้ำกับหลงมัด ทุกอย่างอะหลงตาหลงหูหลงจมูกหลงลิ้นหลงกายหลงใจคำว่าหลงผมหลงขนหลงเล็บหลงปันคือกันารละหลงเนื้อขันหลงดินกับหลงน้ำหลงไฟหลงล่มคือกันควบเกาขันนะพระพุทธเจ้าก็ได้สอนแห่งหลงสอนแห่งรัตตามเป็นจริงอย่ายวทำขั้วเบอร์นายในเขียในใจของ มันสร้างคิดได้บ่ยากมากขอสักขอพบอีกพูดงั้นสามวันมี้ใช้กล่ามาแล้วทัพย์ภายในทรัพย์ภายในคือภพธูระภรมธาผสมคือศักดิ์ท่าศัสดิ์คืออะไรภพธูระภราธาผสมป็นยอดของความเชื่อชืออะไรอันอื่นมาเป็นยอดของความเชื่อ นั่งเป็นเมืองขิงของเต้าเนี่ยพระพุณธประท่ามสถเลยเพิ่มยินดีทั้งปวงนั่งเป็นข้าพมยินดีนั่งเป็นเม่างขิงเพิมยินดีเน้่าพระพุทประท่ามสถเรยเิมยี่นดีนะมรคนุภาพเนี่ยพระพุพธระท่ามโสถเพว่มยีนดีของมนและเทวดามาพ่มี่เท่านั้นพิมยินดีของพพุทธยอดพระนารีเยี่ยนดีมาเกิดมาแกมาเก็บมาตายในวันตาทุกสารโดยเฉพาะทีอเพราะเห็นได้ยังไะเพราะกรรมมูลในหน้าวัตีโลโก เพราะมันบันดาลกรรบันดาลอายุแน่ยยระดับนั่นดึงไปก็ไปฟึดพอเห็นได้ยังฟึดกระพามันเห็นเพียงแช่นั้นมันผู้เห็นสูงเนี่ยเจ๊ัดแแท้มแต่เจก็เปลี่ยนผู้มันตําเนี่ยดึงขึ้นสูงให้มันได้ตามข้อมาของมันกะว่าไปแฉะขาดเตือ้อเจ้าแม่เคือดอกบัวดอกบัวใช่ว่าเป็นตูมโน่น ที่มันยแต่น้ำข้จิตดึงึ้นมหามัณฑ์ตัมันดอกบุบานเนี่ยมันขาดเือเนี่ยงสันะนับถือพุทธศาสนานับถือเพื้อหยั่งรับข้อบัคเดีวาพุทธศาสนาจะบัณฑ์ศาสนาจะบันไหาหตทธานรักษาเห็นภาวนาเข้าเห็ุเสือหยั่งเรื่องเสือแก่ลำขาดบอ เน่นเพื่อแก่โลกยันพ้นจิตใจนั่นแหลบหมเฮ็ดเอามูอเอาุ้งนั่นบหนบี่สามห้าเบิง้งบอกฉันมาเสื้อทนไรเสื้อท่านเสือสิ น, นเสือเสอสเส้อพวันนันเสื้อ พ, พ่อคุณประท่ามประสค์นี่เหตผลอย่างไรสามห้าเบิงอีก เนี่ยมันวางผู้ใดเมื่อวผู้ใดอในแต่โลกธาตุนี่ผู้ใดเป็นเจ้าของว่ในแตโลกธาตุเกิดแก่เสียตายผู้ใดเป็นเจ้าของผู้ใดเป็นเจ้าของเกิดผู้ใดเป็นเจ้าของแก่ผู้ใดเป็นเจ้าของเกิดผู้ใดเป็นเจ้าของตายสมบัติพัสดสารท่านออกทานได้อะไรมันจะไ ตกล้มกับมันอยู่กับผาถ้ำอยู่ในกับมือเขามาทำหสังขาถ้ำเขาอยู่ในกับมือของสังขาถ้ำพระเนพระเขาอยู่ในกับมือของพระเนพระมรคผลนพราเขาอยู่ในกัมือของมรคผลนพระไหนเป็นผู้รักษาศีนกระผู้มีศีนเป็นผู้รักษาศีนกระผู้มีศีนมันจะรักษาอะไรยั้ไหนงไหนเป็นผู้รักษาสมาธิกระผู้มีสมาธิก้นตั้งมันนะรักษาสมาธิ ก็ได้เปนผู้รักษาปัญญาผู้ด็ผู้ทั้ปัญ ญ, า, า, ญ, ญาเกิดกับผู้มีปัญญาทั้งปัญญาเกิดเกิดวางไวไเป็นผู้สงสัยกัผู้สงสัยนะเป็นผู้สงสัยคือคิดคือใจไปวงอยู่บนเดีย ว, วบ้านงจากอารมณมือเอื่อนงใช่ปัญหาแล้วพี่ตอบว่าถือ คืามันจะตายก็ตัวยินท่าบาทนะแต่ฉันยจะหันหนุ่มวันตายออกจางนี้จะไปไหนคือมันเมากกนอนของเก่าเหรอซูขึ้นมากกับตของเก่าหาเก่งกับเก่าก็กลับเก่าต่ออันนี้อันไหเนี่ยมันมีของไม่โรอกอันนห้มันมีแต่ของเก่าวัดมันมีของไม่ย่งแนวเ้ย พระุธเจ้าขพระพุทธเจ้าองค์เก่าสม่มาตังเืินตังแสนองค์นั้นองค์เก่าควบเกิดที่เกิดเท่าไรจะมนควบเกิดของเก่าควบแก่ที่แก่เท่าไรจะปันควมแก่ของเก่าควเก็บที่เก็บเท่าไรจะป็นควเก็บของเก่าควบตายที่ตายเท่าไรจะมันายของเก่านันเองเสียงรมที่ปัญญาสาหรับเพื่อจะลอกยึดปลอกใจของเข้าให้สูงขึ้นจะไปนเสียงรมที่ปัญญาของเก่า อลนมฆผ่านเป็นมหาสงบมุกมาเกิดว่ามาแกว่าม no ื่เส็บมาเมาตายอันนี้เน่ยอันนี้ก็ไม่นํา้ายเขาบอกองคเจ้าห้าอ่อมส้มถิ่มไปมือห้ามาส้มเดี๋ยวไปใช้ก็มองเห็นน้ำได้หลกอน มันจะากรอบทุกเพราะมันมีเจะทุกเมื่อยเหี่ยดย้วยนี่ทุกเกิดทุกแก่ทุกเจ็บทุกตายทุกเหนียวทุกจากทุกห่อนทุกหนาวเขาพุดเขาเจ้าเขาทำมาเจ้ า, าเขาแย่สมเจ้าสอนในห้เาเห็นกรอบทุกเจึาสอนให้ารักษาสิ่งท่ทำเพื่อจิบว่าหายมาโันแก่ก็ตายอีกเพื่อจใจมันเบาลงเพื่อให้โทษเบาลง อุปมาคือ น, นักโทษขันยุ่นนคุกเนตารางทําความผิดตะพื้นตะพื้ก็ว่าได้ออกจากคุกตะล่างนายคนทีเามาเกิดในโลกในสงสารคืออะไขันว่ามัมีสีี่มีถ้านำพนนี่จะขาี่จแขงนี่จะลกลักทกทกหอนี่นี่จะถ้าเว้ทฟฟําไผ่ใส่กระองก็ว่าได้ออกนี้จากโลกนายลองคิคือคนเ น, นตาล่าง ข้ผิดจะบ่อยๆเขาก็เพิ่มโทษป็นเสมอเสมอเสมอเสมอันเดียวกันมาดทนี้เนื้อชาเขียบลาบด้วยนะปุกนะปุกวัตรสงคามแห่งยินดีในพระเนพานคพื่อไว้เพื่อนะตอกไตและลงฮกคำพ่อแม่ยินดีในพระเนพานชนะความยินดีทั้งปวงยินดีในพระพุทธธรรมประสงค์ชนะความยินดีทั้งปวง ยินดีนะทานวัดตีลวัดภาวนาวัดชนะความยินดีทั้งปวงว่าไปใส่มันก็าม่ไปพูดไปที่ไหนมันก็ไม่ไปมันก็มาหาผู้พูดมันก็มาหาผู้ฟังนี่เองพูดไปที่ไหนมันก็ไม่ไปความดีความชั่วก็ผู้พูดเป็นผู้ทําก็ผู้ฟังเป็นผู้ทําถ้าจะเว้นมาผู้พูดเป็นผู้เว้นผู้ฟังมาผู้เว้น มันก็มีสองกันที่แกหน้าท่ายนัเห็นจังไงแลยกับที่แกนาทายนอกเห็นยังสั่นอันเดียวกันพิจแกหน้าคว่ำตายท่ายนัยมันเห็นอยู่เห็นที่แกหน้าท้างนอกกันเดียวกันมัดพิจแกหน้าคว่แกมันเห็นแลวกับทีแกหน้าทายนอกเสมอการมดพีจแหน้าดินกับมันดินอันเป็นดินมดทวารไตโลกระษานทั้งทำพิจหน้าน้ำกมันเป็นน้ำมัดทั้งทวารไตโลกระษาน บางทียัหน้าไฟแกมันเป็นไฟมดตัวทำไตโกรตายบางียันเอาข้อมืเอามืดจับไตโรกรตายสะตนีงาาคพลศุลวันบางทียันหน้าควบประมาณัดเียงแถวันเปควบประมาณวดเที่ยงมืจไโรกระต่ายนี่สตนี้ังาาวามุลวันอกัาล้มหาใจคอสาะชั่งแต่วันนตูแก่ควบหลงจะของเลยจับตัวประกันจับล้มหาใจเขาออกเป็นตัวประกันเอาเอาพรพุธาสนามาล่วมะ เอาพระธรรมศาสานามาร่วมาล่วหให้ก่เขา อ, ออกเอาพระสังฆศาสนามาร่วมาเอาศีลธรรมศีปัญญามาร่วมาหายเอาสติเอาสามัมมาัญญะมาร่วมาหาทำแค่มเ ม, ม, มาล่วงเรา้างเาไม่ได้น้อยเลียวเลยเราไม่หลายเหันว่าล่วลงรกระจักระจายเยอ่อยมันจะร้ายเนะ่ะเอามาร่วมมานี่ย่รืว่าหลายเห็นวัดโลด พุทธมณฑลาทำมุสมเราเห็นฟองเมาลมหายใจเขาออกตัป่วยตัวเมาเขาเห็นพ่องเขามลมหายใจเขาออกเป็นหวยเฉพาะต้องการต้องการก็เห็นโลดพราะเอาเนี่ไปกล้องจุรทัศน์ ท, ทําทําแปลว่าส่งอยู่กับตัวของไฟของมันล่ะส่งกันในจิตใจของไปของมัน่ขวดยิดปวดใจของไฟของมั น, ดดดมนเดี๋ยวนี้จิตใจมันนึกไปยังไงเน่ยมันนึกไปทั้งกายมาไม่โตบ๊บบอ มันนึกไ้ทั้งพญะาบาบาทพีตปบมันนึกไปทั้งวิหิงสาวพิตก็เบียดเียนว่ากับขวดเบิงแตามันมีมันก็เห็นฉันบมีมันก็บเห็นจับลมห้ยใจเขาออกเอาหนังสือพระไตรปโฎกมาอ่านปืดคืนกับวชบไปร่วมพระไตไปตกมาไหว้วันร่ห้ใจเขาออกร่วมกับพุทโธร่วมกับชมโมทั้งโคโยกันเดียวคัน ขำแทะกวม่หลายเลยแต่ยังเาว่าวารหารลมใส่ลมหายใจเขา อ, ออกหอนก็หอนลงใส่ลมหายใจเขา อ, ออกกันเดี๋ยวว่าฟังเสพเปลียนัฟังเศพยกับสมาธิยกับปัญญาจากของปฏิวัติใหม่ใม่บินทบาทน้อมหายใจเขา อ, ออกเคสโคบาทเลนย่งไงจะมาต้องขาน ของมันมีจะต้องการเห็นอย่างะไรมันก็ต้องเห็นในเมื่อเท่าว่าต้องการพราหัวใจเท่ามีทุกขณะเลยสานักคิตใจเท่าเท่ามันบ็มีประมาณข่้มที่เป็นกุศลกันเท่าเนื้อแปรชักกุศลมันก็ไม่มีประมาณเท่าไหร่ทีนี้หัวใจเทามันไม่มีประมาณโลกโกล้งเท่ากับไม่มีประมาณเท่าไหร่กับเท่าบ่ังับมันกับเท่าบันเท่ามันวากันเท่ากับไม่มีประมาณเท่ากหร ว่าคือต่อธรรมะธรโมว่าคือต่อ พ, อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันช่องนอั่ในไอิดนั่นใจของเฮ้ายักจะที่ไปคือต่อไผ่ก็มีอันเดียวท่านน้นแล้วสมเอานี่มงยังบัดไปอะรเนี่ยนี่วันไปต้องวัดตายเลยพอเหมือนเวลาเนี่ะมี่หน้าที่ตั้งหน้าทิ่ตายท่านน่ะเดี๋ยอายุแปดทีเปล่าหน้าที่จะไปวัดอื่นพวกีแล้วจิต สิตตายขัตธรรมะบ่หรือสิตายเป็นเพศเป็นผีอาจจะเป็นเรื่องของตัอีกแบบสิตายพรอะพัตธรรมะสิตายพราะพระพาวนาบ่หรือสิจะตายห้องชิงห้องของมี่สิตายห่วงวัดห่วงว่านี่เป็นหน้าที่ของตัวบ่ผู้อื่นมาเหยียหายเะไเป็นหน้าที่เจ้าของสะตอบเจ้าของเราจะทำจิตให้บันเทิงหายใจเข้าพระพุทธเจ้าเราจะทาจิต ให้บันเทิหายใจออกเราจักตั้งจิตหายใจเขา้าเราจักตั้งจิตหายใจออกเราจากักพิจารณาหนเหมืองอันเป็นความไม่เที่ยงหายใจเขา้าเราจากักพิจารณานหนึ่งเมืองความไม่เที่ยงหายใจออกเราจักเพื่องจิตหายใจเขา้า เราจะพเพื่อจิตหายใจออกเราจะตั้งสติหายใจเข้าเราจะตั้งสติหายใจออกเราจะเห็นต้นลมกลางลมหายใจเข้าเราจะเห็นต้นลมกลางลมท้าลมหายใจออก เราจะเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนหายใจเข้าเพราะเป็นแต่สักว่าลมหายใจเข้าเราจะเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ ต, ต, ตัวตนหายใจออกเพราะมีแต่สักว่าลมเราจะพิาจรารณาว่าเป็นแต่สักว่ารู้ว่าเห็นหายใจเข้าเราจะพิจารณาเป็นแต่สักว่ารู้ว่าเห็นหายใจออก เราจะพิจารณาทำอันปา่าเสจากความำกำนังหายใจเข้าเราจะพิจารณาทำมันปา่าเสจากความำกำนังหายใจออกเราจะพิาจรารณาอันไม่มีโทสะหายใจเข้าเราจะไม่มีจะพิจารณาอันไม่มีโทสะหายใจออกเราจะไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าลมเป็นเราเราเป็นลมหายใจเข้า เราจากไม่ถือมั่นว่าลมเป็นเราเราเป็นลมหายใจออกเราจะพิจารณาสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับหายใจเข้าคือพนันธานเราจะพิจารณาสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับหายใจออกเราจะพิจารณา ทำเก็บให้บันเทิงในสิ่งที่ไม่เวียนไม่มีเวียนในไฟหายใจออกจับลมให้ดีจับกรรมาฐานเดิมลมคืออาจารย์คือพระพุทธเจ้าทั้งหลายมารวมอยู่นี้แล้วคือพระธรรมทั้งหลายก็มารวมอยู่นี้แล้วคือพระญาสงทั้งหลายก็มารวมอยู่นี้แล้วพราะไม่ใข่สมาธิของพรต่อ เมรารายเราจะตายพร้อมกับลมเข้าหรือลมออกว่ตั้งสติไว้ถ้ารู้จักตายพร้อมกับลมเข้าลมออกอย่างนี้อย่างต่ําก็ไปพร ม, มโลกตายพร้อมกับเป็นไตรศักรู้ว่าเห็นเขาไม่กําหนัดในผู้รู้ไม่กําหนัดในผู้หเห็น พ้อเขาลมหายใจเขาออกก็ลมเข้าสู่พระในพ า, านก็ไม่ ม, มีมีวิญญาณประจุสีสันทิจะจับที่ไหนํำแท้ไมไม่มากศีลก็ตัดศินลงในลมหายใจเขาออกสมาธิก็ตั้งมั่นในลมหายใจที่เขาออกปัญญาก็รอบรู้ในลมหายใจเขาออก สัฉัาทะพอใจรักใข้ในลมหายใจเข้าออกวิริยะเพียรมันประกอบในลมหายใจเข้าออกจิ่ตะเอาใจพระไฝในลมหายใจเข้าออกวิมังสามันติตรองพิจารณาเหตุผลในลมหายใจเข้าออกศรัทธาความเชื่อในลมหายใจเข้าออกวิริยะความเพียรในลมหายใจเข้าออก ติและลึกได้ในลมหายใจเข้าออกสมาธิและลึกตั้งมั่นในลมหายใจเข้าออกปัญญาและรู้ในลมหายใจเข้าออกหสมาธิิความเห็นชอบในลมหายใจเข้าออกสมาสังกโปดํมลิในลมหายใจเข้าออกสมาวายกาชักทวนให้เห็นลมหายใจเข้าออกสมากรรมตโตมีการงานในลมหายใจเข้าออกสมาอาชีวเลี้ยงชีวิตชอบในลมหายใจเข้าออก สมาสติและลึกทอบในลมหายใจเขาออกสมาสมาธิตั้งมั่นในลมหายใจเขาออกนั่นอยู่ที่แห่งเดียวกันไม่ต้องเคลื่อนไปที่ไหนเราเห็นอันนี้ชัดอันอื่นตัวชัดเหมือนกันนะเห็นอนุนิ จ, จังทุกขังอันตาพร้อมเอาลมหายใจเขาออกด้วยเห็นต้นลมด้วยกลางลมด้วยท้ายลมด้วยนั่นยอดกรรมฐานเลย ก็รรมฐานเธอลมหายใจเข้าออกดึงกรรมฐ า, านอื <No comments sound> ่นๆมาได้เหมือนทิศเหนือมันดึงดึงเข็มเทียบไปเหมือนมหาสมุทรทะเลดึงน้ำห้อยน้องคลองเมืองเมืองบางต่างๆให้ได้ลมผูกทะเลได้ชั้นใดก็ดีลมหายใจเข้าออกสามารถดึงธรรมะมาได้หมดในพระเจ้าลกศาตร์นะคอยมีสติอยู่ที่นั้น นี่ไหมความมาด้านภาวนาต้องการเห็นก็ต้องให้เห็นต้องการเห็นก็หามาเห็นมันก็ไม่ใช่คนเคยภาวนาเรียกว่ไม่ชำานาญเหมือนโค้เหมือนง่วเหมือนก้วยต้องการจะอามารถใช้หน้าอะไร ย, ยังวัดมือก็บอะไรมัดคอนไปนเอาต้องการนี่การผ้าขื้นกันต้องการมา่าทั้การทั้งานหายังวัดมือกับอะไ้มันกับอได้งานบอกสิ เรียนใหแค่หาต้องการห้าต้องการกรรมฐานอะไรแต่ให้มันเข้าได้อที่าต้องการพิจาาผมให้มันเห็นผมห้าต้องการพิจาหนาขนให้มันเห็นขนก็ห้าวต้องการพิจาาเรียบไงให้มันเห็นเล็ยบก็ตัวห้าต้องการพิจาหน้าพี่จะากระดูกให้มันเห็นกระดูกต่ตัวเพราะมันมีน้ำเเผ่นมันมีขพงาม่นหัวหาต้องการพี่จาหนาดินน้ำไฟร่มผมผลจะฟันน้ำเงินกระดูกมันจะค้องแข็งเป็นธาตุดินแล้วห้าต้องการเห็นอไดบ่เห็น มันกั บ, บ่าเมีนขอ ง, งไม่อยู่ในกายของเฮามเหมดละบอกฉันี่ด้วยใจของเฮาเห่ะเพราะต้องการเห็นใจเฮาก็ต้องเห็นเชเดียวนี้เครียดแหนผู้ใดเดียวนี่เบียดเบียนผู้ใดเดียวนี้นึกยังไงก็ต้องการแทนมันเห็นเพราะฉะนั้นมันก็ปฏิบัติว่าไรที่โบเห็นเนื้อจะจับโตขีกระโมอย่างไรโเห็นขีดกระโม่ต่เห็นมันแล้วก็ยังจำว่าไรอยู่ก็เอาฝันหน้าโบเก่งหรือว่าอะไรทำสังไรมันวางด้วยแล้ว มันมาวา่ามันจะเป็นน้องไผ่ตะโกนะกายมันกรว่างเงยแล้วมันมาว่าเป็นน <necessary> ้องไผเนี่ยรวมหายใจเขาออกกว่างเงยแล้วมาว่าจะเป็นมาว่ารับรอบเป็นน้องไผ่อาางและกรบเพาะประเศเสวยใจก็เป็นใจสักว่าใจบว่าจะเป็นใจไผ่าาเทัพาเป็นใจสักว้ทาว่ามว่าัพ่ไหาางมะสัสูงเลยใจก็ใจสักวว้ใจไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงจิตตานักษนา ตาก็เป็นศัตว์ว่าตารไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงกายานุปัสนาเวสนาความสวยอารมณ์สุขทุกุเบีขาก็ดีก็เป็นแก่สักด์ว่าเวสนาไม่ใช่ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาจิตที่เศ้ามองหรือฟองแพ้วก็ดีเป็นแก่ักว่าจิตไม่ใช่สักด์บุคคลตัวตนเราเขาทำที่เป็นกุศลแล้วกุศลที่วังเกิดกับใจก็เป็นแก่ศักว่าทำไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเรียกธรรมานุปัสนาคิดก็ว่า เพราะไม่มีใครไปยึดถ hmm. ือว่าจิตเป็นตนจนเป็นจิตธําก็ว่างเพราะไม่มีใครไปยึดถือว่าธําเป็นตนตนเป็นธําดินก็ว่างเพราะไม่มีใครไปยึดถือถือว่าตนเป็นดินดินเป็นตนน้ำก็ว่างเพราะไม่มีใครไปยึดถือว่าน้ําเป็นตนตนเป็นนําไฟก็ว่างเพราะไม่มีผู้ใดไปยึดถือว่าไฟเป็นตนตนเป็นไฟลมก็ว่างเพราะไม่มีใครไปนักไปยึดถือว่าลมเป็นตนตนเป็นลมน่ะ อดีตก็ว่างเพราะไม่มีใครไปยึดถือว่าอดีตเป็นตนจนเป็นอดีตอนาคตก็ว่างเพราะไม่มีใครไปยึดถือว่าอนาคตเป็นตนจนเป็นอนาคตปัจจุบันก็ว่างเพราะไม่มีใครไปยึดถือว่าปัจจุบันเป็นตนจนเป็นปัจจุบันแต่อาศัยปัจจุบันเป็นเครื่องพิสูจน์อาศัยปัจจุบันเป็นตัวศิ่เป็นตัวสมาธิเป็นตัวปัญญาเป็นเรือเป็นแพสําหรับข้ามฟ้าข้ามฟ้าความหลง ความหลงว่าเป็นตนเป็นตัวเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลหลงว่าสวยว่างามหลงว่าเป็นของเที่ยงหลงว่าเป็นสุขน่ะพุทโธเป็นอนัตตาคนธรรมโมเป็นอนัตตาคุณสังโฆก็เป็นอนัตตาคุณไม่ได้อยู่วงแขนของท่านผัวใดถ้าอยู่วงแขนของคนใดคนหนึ่งเวลาแต่ละลึกถึงคุณพุทโธธรรมโมก็ต้องไปสังโฆก็ต้องไปขอเอาขอคุณพุทโธธรรมโมสังโฆบ้าง อยู่กับเธอหมดอยู่กับท่านหมดเหตุฉะนั้นจึงว่าพุทธธรรมสงเป็นอนัตตาธรรมเป็นธรรมที่ไม่อยู่ไม่ไม่อยู่ในก ร, ร ม, มือของผู้ใดเป็นของกลางคาว่าธรรมเป็นของกลางเขาเป็นของกลางทั้งสังขารธรรมและทั้งวิสังขารธรรมด้วยนั่นเธอทั้งหลายกงรู้ตามไปจริงเธดเมื่อเธอทั้งหลายรู้ตามไปจริงแล้วความสงสัยของเธอทั้งหลายจัไม่ไสรมศาสดา ตาไม่ใช่ตัวตนหูไม่ใช่ตัวตนจมูกไม่ใช่ตัวตนลิ้นไม่ใช่ตัวตนกายไม่ใช่ตัวตนใจไม่ใช่ตัวตนกายเป็นแต่สักว่ากายตาเป็นแต่สักว่าตารูปเป็นแต่สักว่ารูปเสียงเป็นแต่สักว่าเสียงหูเป็นแต่สักว่าหูกลิ่นเป็นแต่สักว่ากลิ่นจมูกเป็นแต่สักว่าจมูก ลิ้นเป็นไสสักว่าลิ้นรถเป็นไสสักว่ารถปวดสพักกระทบกายก็เป็นไสสักว่าปวดสพักกระทบกายไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่สัตบุขคลศูนย์ก็เป็นแต่สักว่าศูนย์ไม่ไม่ใช่เราเป็นศูนย์หรือไม่ใช่ศูนย์เป็นเราและไม่ใช่ศูนย์เป็นท่านผอื่นและไม่ใช่ผู้อื่นเป็นศูนย์ทำชั้นสูงของพระพุทธศาสนาไม่ใช่สมาธิหัวต่อไม่ใช่สมาธิหลอกกินขนมเขาอันนี้ ถ้าภาวนาดีมันก็ต้องเห็นเทวดาสิเขาเห็นแล้วเขาเบื่อแล้วเทวดาแล้วมันเกิดแก่เก็บตายมันไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นได้แ ป, ลปล่ปวนได้แก่ทลายถ้าว่าภาวนาดีก็ต้องเห็นเทวบุตรเทวดาเห็นอินพณิชฌมสิอินพณิชฌ์มันอยู่ใต้อนาตานิจังทุกขังอนัตตาเขาก็เห็นแล้วเนี่ยเพราะมันไม่เที่ยงนะไงพระไตรโลกธาตาาุามันจุสิ่งที่ไม่เที่ยงเมื่อเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเราก็เห็นโลกหมด บรรจุสิ่งที่เป็นทุกข์บรรจุสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนแต่ซักทั้งหลายมายึดมาถือเอามายึดมาถือเอาความหลงของตนนั่งหัวใครไม่เอาใครถ้าว่าเป็นหัวเราถ้าว่าเป็นเมียเราให้แก่เก็บจะแก่เจ็บตายนี้จากกันทําไมนั่งว่เป็นสมมุติชัวข่าวเท่านะะั้นแหละสมมุติชัวข้าวกินแต่สมมุติพราะชั่วข้าว ทายก็สมมุติตัวข้าวพูดกับสมมุติตัวข้าวลวงไปลวงไปเนี่ยไหนเนี่ยมัลวงไปสิ่งไหนสิ่งที่ไม่ลวงไปไ ม, ม่นี่นะสิ่งที่ล่วงไปอย่างหยาบๆก็เป็นอนิจจังอย่างหยาบๆสิ่งที่ล่วงไปอย่างละเอียดก็เป็นอนิจจังอย่างละเอียดอดีตคืออะไรคืออนิจจังที่ลวงไปแล้วอนาคตคือนน อ, นนอะไร คืออนิจจังที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันคืออะไรคืออนิจจังที่กําลังจะล่วงไปอยู่ซึ่งหน้านั่นถ้าเห็นชัดอย่างนี้แล้วนี่ความสงสัยโลกทั้งวงจะมาจากประตูไหนอกีกนั่นความเพลินจะมาจากประตูไหนอีกนี่า็ําด้วยความจําเป็นไม่ได้ทำด้วยเพลินไม่ได้ยืนเดินนั่งนอนด้วยความเพลินยืนเดินนั่งนอนด้วยความจําเป็นไม่ได้กินด้วยความเพลินกินด้วยความจําเป็น ไม่แน่นอนด้วยความเพลินนอนด้วยความจําเป็นไม่ได้นั่งไม่ได้เพลินในนั่งนั่งด้วยความจําเป็นของสังขารใครเป็นผู้ทุกข์ก็คือสังขารเป็นผู้ทุกข์ใครเกิดดับก็คือสังขารเป็นผู้เกิดดับใครเป็นผู้แปรปวนก็สังขารผู้แปรปวนก็มีความหมายเดียวกันนั่จะยืนยันว่าเราเป็นสังขารสังขารเป็นเราก็ไม่ถือผูกเอกยง จะยืนยันว่าเราเป็นพระเนรพนพระเนรพนเป็นเราก็ไม่ถูกอีกจะยืนยันว่าศูนย์นเป็นเราเราเป็นศูนย์นก็ไม่ถูกอีกนะความสงบในสมาธิชำระกิเลสชั่นกลางผู้ที่จะทำลายความหลงให้แตกกระเจิงก็คือพระปัญญาล้วนล้วนสมงหนึ่งแนบมนานบ่ 都帮我问